ไปสุรินทร์มาเหนื่อยน่าดูแก่แล้วเดินทางเยอะๆไปที่สุรินทร์นี่ให้ประสานะไปช่วยทอดผ้าป่าช่วยทำเจดีย์ลงตาผนึกได้เงินพอละปิดงบทำเจดีย์ทำอะไรปีไม่สำเร็จนานสิ่งเหล่านี้ทำไว้อย่างน้อยเหลือ อะไรไม่ให้คนเห็นธรรมะอยู่ในใจไม่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นนามรธรรมเรารู้เฉพาะตัวพวกศาสนาสถานอะไรเป็นวัตถุแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไปนเน้นพวกนี้หรอกนะทำเป็นเครื่องอาศัยยุคนี้คนทำบาปมากทำบุญอะไรเล็กๆน้อยๆทำไว้ไม่เสียหลายอะไร ดีกว่าไม่ทำเล ย, ยงั้นทำแต่บาป ก, กันทั้งวันแต่งานใหญ่ที่ทิ้งไม่ได้เลยคืองานภาวนางานภาวนาทิ้งไม่ได้ตัวนี้บุญใหญ่ที่สุดเพราะบุญมันมีหลายระดับนะบุญที่จะอยู่กับโลกกับบุญที่จะข้ามโลกนะบุญที่จะอยู่กับโลกเราก็ต้องทำเพราะว่าเราเวียนว่ายตายเกิด เรายังไม่ได้ข้ามโลกในวันนี้พรุ่งนี้ได้ไม่แน่อาจจะต้องไปเกิดอีกเงั้นบุญจะอยู่กับโลกมีโอกาสทําก็ทําแต่บุญข้ามโลกต้องไม่หยุดบุญจะข้ามโลกเพราะบุญภาวนานะภาวนาก็มีสองส่วนภาวนาเพื่อให้จิตให้ใจสงบอันนี้เป็นบุญอยู่กับโลกบุญที่จะข้ามโลกจริงๆริง บุญทํำมิปสนาจเจริญปัญญาดงนนบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่พาข้ามโลกได้บุญใดยังไม่ประกอบด้วยสติยังไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นบุญพออาศัยไม่ใช่ไม่ดีต้องอาศัยหลวงพ่อเคยพบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะ เป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยเรื่องสติปัญญานี้ไม่มีใครสู้เลยเต็มภูมิตรงท่านแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะโจนโจนจนมากมากเลยอาหารการกินอัตคาตาขา ด, ขาดแคลนเลยตอได้ท่านมุ่งเจริญปัญญามากนะท่านทิ้งอันอื่นไปพวกเรามีโอกาสทำก็ทำ โอกาสผ่านไปแล้วก็แล้วไปแต่ว่าบุญของการเจริญปัญญาเนะีนะ่ยทําได้ทุกวันถ้าเราไม่ทิ้งโอกาสโอกาสไม่ทิ้งเรานะบุญของการเจริญปัญญาไม่เสียเงินเสียทองอะไรรู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงในกายรู้ลงในใจนะร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษ์ร่างกายก็แสดงไตรลักษ์นะเป็นไตรลักษ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์จิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์ให้เราคอยรู้ลงมาในกายในใจนี่แหละเห็นไตรลักษ์ของกายของใจเรื่อยไปนะถ้าเราเห็นไตรลักษ์ของกายของใจต่อไปปัญญามันเกิดนะมันรู้ความจริงเลย กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของไม่เที่ยงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะาันใดอันหนึ่งไม่ได้นานบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจร่างกายไม่อยู่ในอำนาจนะสั่งว่าอย่าแก่มันก็แก่สั่งว่าอย่าเจ็บมันก็เจ็บสั่งว่าอย่าตายมันก็จะตายห้ามมันไม่ได้หรอกสั่งให้ตายช้ามันจะตายเร็วบางคนไม่สบายมาก สั่งให้มันตายเร็วมันตายช้าช้า <c oughs> เป็นไหมเคยมีไหมไม่อยู่ในอำนาจจริงนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นถามว่าอยู่ในอำนาจไหมก็ไม่อยู่ในอำนาจสั่งว่าร่างกายเรานะจงมีแต่ความสุขอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้ควับเจ็บป่วยเกิดขึ้นสั่งว่าจงหายไปมันก็ไม่หายนะ สุขภาพไม่ดีสั่งว่าจงสุขภาพดีมันก็ไม่ดีนะในใจเราละ่ะสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่ฟังนะมีความสุขปเดี๋ยวปรดา้าความทุกข์ก็มาอีกแล้วสั่งว่าอย่าทุกข์มันก็ยังทุกข์ของมันได้นะสังขารละ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บังคับได้หรือไม่ได้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วในใจเรานี่มันปรุงชั่วขึ้นมา ยังอยู่ๆมันจะคิดชั่วห้ามมันได้ไหมอย่างบางคนนั่งฟังเทศใช่ไหมมีบางคนนั่งฟังเทศฟังไปนินทาหลวงพ่อไป <c oughs> เป็นธรรมชาตินะห้ามไม่ได้ใช่ไหมบางคนตกใจว่าเอ้ยจิตไปว่าหลวงพ่ออีกแล้วเทศซ้ํากันทุกวันเลยอย่างเงี้ยแล้วธรรมะ ม, มีอยู่แค่นี้แหละธรรมะจะเอาอะไรธรรมะท่านี้ก็พ้นโลกแล้วเอาให้ได้ก็ล้วกั น, นะเขามันมีอยู่แค่นั้น ถ้าเราตกใจนะโอ้จิตเป็นินทาหลวงพ่อจิตของเราเลวเหลือเกินสงสัยจะตกนรกเจ็ดชั่วโคตรนี่ความจริงนรกไปแล้วเ็ตกนะ <c oughs> เกินเจ็ดชั่วโคตรนะตอ ก, กันทีหนึ่งนานๆไม่ได้ตกกัน แ, แป๊บๆมีเหมือนกันตกแวบเดียวแล้ว เ, เกิดสติขึ้นมาตายจากนารกนี้ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีพระวงหนึ่งภาวนาแล้วก็พลาดพลัง้งตอนตายเนี่ยจิตไม่ดี โโหว่าร่างกายเจ็บป่วยตายไปด้วยโทสะตกนรกเลยพอลงนรกนะปั๊บลงไปเนี่ยสติท่านเกิดเลยเพราะท่านเคยฝึกของท่านมาอย่างดีแล้วนรกแตกเลยแตกสำหรับท่านนะผีนรกอื่นก็ยังอยู่อย่างเก่าเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยจิตมันยังไม่ดีห้ามมันไม่ได้มันจะคิดไม่ดีห้ามมันไม่ได้นะสั่งให้มันคิดแต่เรื่องดีมันก็ไม่ยอมคิด อา้าชิดพุโทโธทั้งวันเนี่ยสั่งอย่างนี้พุโทโธพุธโทโธไปเดียวเดียวกลายเป็นพุโทโธพุธโทโธไปแล้วนะไม่เอาอยู่ไม่ได้ไม่เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะอย่าไปโตก อ, อกตกใจเขาสอนธรรมะเราเขาแสดงไตรลักษณ์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปตก อ, อกตกใจนะเขาแสดงไตรลักษณ์นะ ถ้าเราไปตกใจโหจิตคิดไม่ดีคราวนี้ฟังเทศไม่รู้เรื่องแนละเสียเวลาเสียโอกาสนะแท้จริงสภาวธรรมทั้งหลายนะจะเป็นพวกประธรรมจะเป็นเวทนาจะเป็นสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วเวทนาที่ปรุงสุขปรุงทุกข์หรือจะเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณนะ์นั้นแต่ตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยเนี่ยการจเจริญปัญญานะเราจะมาเรียนถึงความเป็นไตรลักษณ์ ของธาตุของขันขันห้านี้แหละมาเรียนอยู่ในเรื่องขันห้าไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรอกเรียนลงมาจนเห็นไตรลักษณ์ของขันห้าซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันดูแล้วดูอีกนะอย่าให้ปัญญาลําหน้าบางคนปัญญาลําหน้าไปนะดูไตรลักษณ์ดูไตรลักษณ์แล้วก็พอเห็นสภาวะเกิดขึ้นหนีไปคิดซะแล้วนะไม่ดูสภาวะหนีไปคิดล่วงหน้า เช่นความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นไปมองมันแว บ, บนะึงไม่เที่ยงนู่นไปมองมันทีเดียวบน่นว่าไม่เที่ยงเราไม่ดูต่อละหนีไปคิดเรื่องอื่นตะลุดเปิดเติงไปแล้วนะกิเลสเกิดขึ้นในใจไปเห็นมันแว บ, บหนึ่ง <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวมันก็ไปแล้วเวลาที่เหลือไปคิดเรื่องอื่นต่อนี่ทิ้งเอยนะเนี่ยพวกปัญญาลําหน้าสรุปเอาเองสรุปเร็วไปว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาสรุปเองแล้วไม่ยอมดูต่อ นี่แหละหลอกลวงเราล้วถกหลอกพวกนี้พวกปัญญาลรำหน้านะพวกสติแรงไปก็วพวกนั่งจ้องเอาไว้นะจ้องพวกสมาธิแรงๆ แ, แล้วสติตามให้ทนันพวกนี้จะเคลิม้มเคลิ้มพวกก็ฟุ้งซ่านไปบางคนก็คิดอยู่นั่นแหละเรื่องนี้ก็สงสัยเรื่องนั้นก็สงสัยคิดหาคําตอบเรียนธรรมะมีแต่เรื่องคิดหาคําตอบไปเลยฟุ้งซ่านนะ ลังเลสงสัยฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิมนต์มาขวางกั้นการเดินปัญญาของเราแล้วนะอย่าว่าแต่เดินปัญญาเลยแค่สมาธิก็เสียแล้วฟุ้งซ่านนั่นะเราคอยรู้สึกนะเดีย๋ยวให้ล้ำหน้าไปบางทีล้ำหน้าปัญญาล้ำหน้าดูประเดี๋ยวประดาวก็ทิ้งไปแล้วนะจเจริญสติก็ไปเพ่งเอาเพ่งเอาไปจ้องแรงไป ทำสมาธิมากไปเคลิม้มขาดสตนะิคิดพิจารณาโน่นนี่ฟุ้งซ่านไปนะงัเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูอย่าไปให้มันล้ำหน้านะดูทุกวันทุกวันนะดูร่างกายเขาทำงานดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นดูสังขารที่ปรุงดีที่ปรุงชั่วนะดูเขาทำงานดูจิต ที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งดูเขาทํางานไม่เข้าไปแทรกแซงเขาในจิตนี้เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผูง้แต่งไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งตามรู้มันมีสติรู้มันเราจะเห็นเลยว่าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งนั้นมันทําหน้าที่ของมัน มันทำหน้าที่ของมันเฉพาะตัวของมันเราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ให้คิดมันจะคิดสั่งไม่ให้นึกมันจะนึกสั่งไม่ให้ปรุงมันก็ปรุงสั่งไม่ให้แตง่งมันก็แตง่งทำหน้าที่ของเขาไปเรื่อยๆนะจิตมีหน้าที่อย่างนี้ร่างกายก็มีหน้าที่ของร่างกายมีหน้าที่ไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนนะมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย้วทำหน้าที่ของมันห้ามมันไม่ได้ วเวทนาก็มีหน้าที่ของเวทนาร่างกายนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นการทําหน้าที่ของเขาของเวทนาเนี่ยเราดูลงไปเรื่อยแล้ว เ, เห็นแต่สภาวธรรมทั้งหลายนะเขาทำหน้าที่ของสภาวธรรมสภาวธรรมก็แสดงหน้าที่ของเขาไปไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเขาทําหน้าที่ของเขาเองร่างกายสุขร่างกายทุกขความสุขความทุกข <g ülme> ์ก็ทําหน้าที่ของเขามีมาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็มีมากุศลอกุศลก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างความโกรธเกิดขึ้น หลายคนภาวนาทายังไงจะไม่โกรธทำยังไงจะไม่โลภทายังไงจะไม่ห ล, ลงนะความโกรธความโลภความหลงเขาทาหน้าที่ของเขาอย่าไปตกใจหน้าที่ของเรา ม, มีสติตามรู้ตามดูเขาไปเรื่อยเราก็เห็นแต่ว่าเออเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถ้าเราไม่ไปแทรกแซงนะไม่ไปหลงกลตก อ, อกตกใจขใึ้นมาจิตใจเราก็ปลอดโปร่งกิเลสทั้งหลายครอบงำใจเราไม่หลงนะแนะเราตก อ, อกตกใจขใึ้นมามันครอบงำเอา นะสู้มันไม่ได้งั้นหัดรู้หัดดูไปสบายๆนะดูาธาตุดูขันทำงานการเดินปัญญานั้นถ้าทิ้งการพิจารณาธาตุขันแล้วไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงนะต้องรู้าธาตุรู้ขันของจริงๆเลยรู้ขันหนะ้ารูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจำได้ความหมายรู้ สังขาร น, นะคือความปรุงดีความปรุงชั่วนะแล้วก็วิญญาณก็คือความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนีนะ่เราดูอย่างนี้ดูเขาทำหน้าที่ไปนะนี่ดูาธาตุดูขันแล้วดูาธาต์นะดูาธาตมาแยกลงในร่างกายนะร่างกายประกอบด้วยาธาตุมีาธาต์อะไรบ้างฮะเอาดังๆสิ ดินน้ำลมไฟไม่ครบมีอากาศสาธาตีกันไม่มีอากาศสาธานตะิดินน้ำลมไฟไม่มีที่ตั้งนะดินน้ำลมไฟตั้งอยู่ในอากาศสาธาติอีกทีนึงอากาศสาธาติไม่ได้แปลว่าอากาศไม่ใช่แปลว่าแอร์นะแต่หมายถึงสเปซนะมีสเปซไอนสไตน์ทำเป็นเก่งพูดถึงไทม์และสเปซพระเจ้าพูดมาก่อน ไอ้สายกืถึงยอมรับศาสนาพุทธได้มากกว่าศาสนาอื่นนะเวลาเราจะดูธาตุเราดูลงในร่างกายเนี่ยนะร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุดินคืออะไรธาตุดินคือส่วนที่แข็งธนะาตุน้ำเป็นส่วนที่ซึมซ่านเป็นแรงดึงดูดแผ่ซ่านออกไปแล้วก็มีหน้าที่ดึงดูดระหว่างโมเลกุลธนะาตุดิน เป็นส่วนที่เป็นตัวที่แข็งๆนะถ้าจะเป็นตัวก็เป็นพวกตัวอะตอมแท้ๆของมันแล้วมัง้งนะแล้วก็มีแรงดึงดูดนะทำให้อะตอมเนี่ยคงตัวอยู่ไดนะ้ทำให้โมเลกุลคงตัวอยู่ได้ตัวที่ดึงดูดให้มันคงตัวอยู่ด้วยกันเรียกว่าธาตุน้ำธาตุลมคือความเคลื่อนไหวนะความเคลื่อนไหวถามว่าในเซลล์หนึ่งเซลล์มีความเคลื่อนไหวไหม ในอะตอมหนึ่งอะตอมมีความเคลื่อนไหวไหมมีอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยธาตุไฟคือตัวอะไรนะตัวเย็นตัวร้อนนะเป็นตัวพลังงานนะเป็นตัวพลังงานนี่มันทางานของมันอยู่นะทำงานอยู่ในสเปซนะเราก็ดูมันทำงานไปไม่มีขนนะร่างกายนี้ไม่ใช่ขนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุธาตุนะ มีธาตุหลายอย่างมาประกอบกันมาทำงานร่วมกันธาตุดินไม่ได้อยู่ต่างหากธาตุดินจะมีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาอยู่ด้วยกันธาตุลมจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟธาตุไฟอยู่ได้ก็อาศัยดินน้ำลมธาตุน้ำอยู่ได้ก็อาศัยธาตุดินไม่มีธาตุดินมันจะไปดึงดูดอะไรธาตุน้ามันก็ทางานไม่ได้ เพราะธาตุน้ําเป็นแรงดึงดูดนะงั้นดินน้ําลมไฟในความเป็นาธาตุจริงๆไม่ใช่อย่างที่เรานึกเอาอย่างที่นึกเอานะเราเริ่มแยกแยกร่างกายอย่างผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอนะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าถ้าถ้าพูดในทางมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาก็ถือว่าเป็นาธาตุดินแต่ในความจริงแล้วในเส้นผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีทั้งดินน้ําไฟลมครบเลย นะผมมีรแรงดึงดูดไหมระหว่างเซลในเส้นผมมันก็มีใช่ันะ้มมีความเคลื่อนไหวภายในไม่มีถามว่าในก้อนอิฐก้อนหินมีความเคลื่อนไหวไหมมีนะพระองแรกที่พูดให้หลวงพ่อฟังเรื่องนี้นะคือหลวงปู่ดูลวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนนะท่านก็ชี้ลงไปที่กระเบื้องปูกุติท่านนี่แหละบอกว่าสิ่งทั้งหลายนะ จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาตอนเราเด็กๆ เ, เราเรียนบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยคุณสมบัติคือเคลื่อนไหวได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่เคลื่อนไหวตอนนั้นเจอหลวงปู่ดูล น, นะโอ้โหผู้เฒ่าอายุตั้ง90กว่าเกือบร้อยแล้วบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรวนแต่เคลื่อนไหวได้ทําไมมันเคลื่อนไหวได้เพราะมันมีช่องว่างมันมีช่องว่างมาขั้นนะ มันเคลื่อนไหวได้ดูสิผู้เท่าเก่งขนาดนั้นนะพวกเราแค่ฟังก็งงๆแล้วนะงั้นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตมีความเคลื่อนไหวนะนี่เราจะดูยังไงดูธาตุดูธาตุอย่างเวลาเรานั่งอยู่นะเราดูธาตุดูโดยอนุโลมเอาเราดูยังไม่เห็นแรงดึงดูดระหว่างอะตอมอะไรเนี่ยดูยังไม่เห็นหรอกนะ แรงดึงดูดระหว่างอะตอมนี่เป็นาธาตุน้ําธาตุน้ํารู้ด้วยใจาธาตุดินาธาตุไฟาธาตุลมรู้ด้วยร่างกายนะาธาตุดินรู้ด้วยร่างกายเช่นอะไรเช่นเราสัมผัสมือเงี้ยนี่สัมผัสไหมลองลองนวดมือตัวเองดูซิรู้สึกไหมมันมีส่วนที่แข็งแข็งส่วนที่อ่อนอ่อนความแข็งความอ่อนนั่นแหละเรียกว่ า, าธาตุดินนะลองสัมผัสยาวๆนะรู้สึกไหมแต่ละจุดนี่มีความร้อนที่ไม่เท่ากัน บางจุดร้อนมากบางจุดร้อนน้อยใชนะ่นี่คือธาตุไฟนะธาตุไฟในแต่ละที่นะี่ไม่เท่ากันนะบางทีก็เพิ่มขึ้นบางทีก็ลดลงธาตุดินบางทีก็เพิ่มขึ้นบางทีก็ลดลงเช่นเวลาเราเดินเวลาที่เท้าเหยียบพื้นเนี่ยธาตุดินในน่องจะเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงทดลองลองเอามือกดลงไปที่พื้นกดแรงๆแล้วลองจับตัว จับแขนตัวเองดูมันแข็งมากขึ้นไหมมันจะแข็งมากขึ้นนะเวลาเท้าเหยียบพื้นนะธาตุดินที่น้องนะ่ะเพิ่มขึ้นนะเวลาเคลื่อนเท้าไปเนี่ยธาตุลมเพิ่มขึ้นนะเนี่ยธาตุกรรมาฐานแท้ๆนั้นดูยากที่สุดเลยดูยากนะแต่เราใช้ธาตุอนุโลมเอาผมขนเล็บฟันหนงนะังเนื้อเอ็นกระดูกถือว่าเป็นธาตุดินอันนี้โดยอนุโลมเอา ดูลงไปว่าไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตวนะ์ไปมองในมุม น, นั้นก็พอมองได้นะใช้ได้อยู่เรื่องการเดินปัญญานะไม่ดูขันก็มาดูธาตุแต่ขันดูง่ายธาตุดูยากมากธนะาตุดูยากหายใจหายใจเอามือรอไว้ที่จมูกสังเกตไหมว่าลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อน เวลาลมกระทบมือรู้สึกไหมลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนสแสดงว่าอะไรธาตุไฟในลมหายใจนี้ไม่เที่ยงธนะาตุไฟในลมหายใจนี้ไม่เที่ยงดอยอางนี้เอาใหม่หายใจแรงๆลดฝมหลังมือรู้สึกไหมมันมีมวลของอากาศกระทบหลังมือตัวมวลของอากาศเป็นธาตุดินนะ หายใจแรงๆรู้สึกแข็งขึ้นมาไหมไ <laughs> มนแข็งขึ้นนะ <laughs> นะั้นธะาตุกรรมฐ า, านนะเล่นยากนะถ้าสมาธิไม่พอไม่เห็นออกนะเราก็ดูตัวอื่นๆอนุโลมไปนะอย่างดูดูลมหายใจร่างกายหายใจไม่ถึงเป็เล่นธาตุนะดูลมหายใจเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ไปเลย หรือดูอิริยาบทสนะยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็น <Disney S 2> เป็นก้อนธาตุมันยืนเดินนั่งนอนไม่ถึงขนาดแยกว่าเป็นธาตุสนะไม่ถึงขนาดเห็นสเปซหรอกนะไม่ถึงแต่ว่าอนุโลมเอาแค่เห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราเห็นร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราเห็นแค่นี้นะใจมันพอยอมรับได้แล้วถึงจุดหนึ่ง ก็ยอมรับได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่ไม่ถึงขนาดไปแยกว่าเป็นธาตุอะไรบ้างนะเป็นอย่างนี้นะใครรู้ค่อยดูเอานะร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันไม่ใช่เราหรอกนะดูอย่างนี้เรื่อยๆแต่อย่างนี้ก็พอได้นะไม่ถึงขนาดรู้ธาตุแท้รู้ยากยากสุดๆเลยงั้นถ้าไม่ทรงฌานจริงนะสมาธิไม่พอจริงไม่เห็นนะ่ะ แล้วเราค่อยรู้สึกนะรู้ลงมาค่อยดูร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เรารดูไปเรื่อยนะดูไปความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขุสนกุศลนะก็ไม่มีเรานะดูไปเรื่อยเป็นแค่ความรู้สึก อ, ออกจากแโมงแล้วเทศเลิศนะเทศอย่างมีความสุขมีความร่าเริงใจเทศธรรมะที่มันยากๆหน่อยใหกับที่กับเราเลย ให้หลวงพ่อเทศทุกวีทุกวันเหมือนเดิมทุกวันแล้วก็เสง่ิงแต่ก็ต้องเทศตามหน้าที่ของพระนะพระพุทธเจ้ามอบหมายให้เทศเราก็ต้องเทศแหลนะท่านมอบหมายไว้นานแล้วนะเพราหน้าที่ของพระหน้าที่ภาวนานะแล้วก็ประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดงดงามในเบื้องต้นนะั่นก็คือเป็นธรรมะที่สมเหตุสมผลนะ มีเหตุมีผลไม่ใช่ธรรมะเลื่อนๆลอยๆงมๆมงายๆไม่ใช่แต่มีเหตุมีผลงามในทถ้ำกลางนะทำไปแล้วโอ้ยิ่งภาวนายิ่งรู้ทันกิเลสยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นคนเรารู้ทันกิเลสแล้วมันจะงามไม่งามะนะมยิ่งงามขึ้นทุกทีทุกทีมีความสุขมากขึ้นทุกทีงามในที่สุดนะถึงฝั่งพระนิพพานมีความสุขที่สุดนิพพานไม่ได้ศูนย์นะอย่าคิดว่านิพพานศูนยนะคิดว่านิพพานแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้นั่นนิพพานอนาถาหรอกนิพพานมีอยู่จริงๆไม่ได้หายไปไหนสัมผัสได้ก็มีความสุขนั้นเรานาะทำไปภาคเพียนเข้าทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่เคยทำทานก็ทำไม่มีศีลก็มีศีลไม่เคยทำความสงบ ก, ก็ทำความสงบขึ้นมาไม่เคยเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาขึ้นมาสุดท้ายวิมุตตก็เกิด เป็กุศลที่สูงสุดแล้วมีมุดนะเรียกว่าเป็นโลกุตตะละกุศลนะกุศลมีสองส่วนนะโลคียะกุศลกับโลกุตตะละกุศลโลกียะกุศลเนี่ยก็ตั้งแต่ทําทานรักษาศีลเรื่อยๆมาจนถึงเดินวิปัสสนาส่วนที่ขึ้นโลกุตตะะกุศลตรงที่เกิดมรคนี่เองเวลาโลกุตตะละกุศลเกิดน่าเกิดในแวบเดียวเท่นั้นเถัดจากนั้นจะเกิดโลกุตตะวิบากมีกุศลยังมีวิบาก โลกุตตะละตัวนก็คือตรงที่มากเกิดนะมักขยานโลกุตตระวิบากเป็นผลญานนะยังมีโลกุตตะลที่พ้นจากกุศลและวิบากอีกอย่างหนึ่งนะคือนิพพานนะั้นโลกุตตะยังมีตั้งหลายแบบเนะีนะ่ยเอาแค่นี้ก่อนนะเรียนเรื่องถึงโลกุตตะก็ไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วล่วนะนะ่านะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์